ท่านอาจารย์พุทธธาสของสวนโมกพระรา ม, มนคือกล่าวว่าจะให้เลือกระหว่างวิมานบนสวรรค์เนี่ยกับอทิชชู่เนี่ยกระดาษชำระหนึ่งมวลเนี่ยถ้าเลือกเอาอย่างหลังนะ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 เดี๋ยวนี้กระดาษชำระมันเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายจนกระทั่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่แต่สมัยที่พเจ้าพุทธทาสท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดยเฉาในช่วง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 โดยเฉพาะเมื่อคำหนึงว่าสวนโมกเมื่อ50ปีที่แล้วหรือว่าในช่วงตั้งใหม่ๆนี้อยู่ในป่าไกลาจากถนนต้องเดินเป็นชั่วโมงนะจากสถานีรถไฟภุมเรียงตอนนั้นยังไม่มีถนนสา ย, เอ เ, ยเอเชียผ่าน เพราะเนี้ยมันก็ไม่มีความสะดวกสบายเท่าไหร่แม้แต่กระดาษชำระก็มีค่า เ, าเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเวลาท่านอาจจะใช้กระดาษชำระเนี่ยท่านจะแค่ดึงมาทีละทีละแผ่นทีละแผ่น ทีละตอนทีละตอนกระดาษชำระนี่มันก็จะมีรอยประนะเป็นตอนตอนตอนตอนสมัยนี้เวลาจะใช้กระดาษชำระที่เป็นม้วนนี่ก็จะดึงมานะหลายตอนเพียงเพื่อทําในสิ่งที่ไม่จะเป็นขนาดนั้นเช่นเช็ดรอยเปื้อน หรือว่าเช็ดน้ำที่มันซึมไหลนะกระชอ อ, กออกมาเวลาจามเพื่ทานจะใช้น้าใช้กระดาษชำระเพื่อที่จะเช็ดน้ำที่มันเปืเป้อนหรือแม้แต่น้ำแกงที่มันเปเปื้อนโตะเนี่ย ท่านก็จะดึงมาแค่ตอนเดียวแล้วก็ก็จะใช้ให้คุ้มค่าถ้าเป็นการเช็ดน้ำเนี่ยท่านจะไม่ทิ้งนะท่านก็จะปล่อยให้มันแห้งเหตุผลก็คือว่าจะได้เอามาใช้ต่อนะเพราะว่าเอากระดาษชำระเช็ดน้ำนะที่เปื้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้สกรปรกอะไร ถ้าปล่อยไว้ให้แห้งเดี๋ยวก็มาใช้ไหมได้อันนี้ในแง่หนึ่งก็ชี้เห็นถึงความประหยัดของท่าจารพุทธทาสอีกด้านหนึ่งก็ชี้เห็นถึงว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งกระดาษชำร์เป็นของหายยากแต่จะว่าไปแม้แต่แม้กระทั่งของที่มีมากมาย ชันก็ให้ใช้อย่างประหยัดนะหรือว่าบริโภคอย่างประหยัดเช่นน้ำเนี่ยน้ำน้าดื่มเนี่ยส่วนมกเนี่ยอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะฝนน่ะไม่ขาดนะฝนแปดแดดสี่นะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นน้ำฝนเนี่ยก็มีเยอะแต่แม้ก็ น, นั้นเนี่ยนะเวลาจะเวลาลูกศิษย์จะดินน้ำให้ท่าน ท่านก็กำชา ว, ว่าให้ดื่นน้ำแค่ครึ่งแก้วนะเพราะว่าก็ฉันเท่านั้นแหละแล้วก็แนะนำพระในวัดด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฉันน้ําดื่นน้าเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มทั้งแก้วนะก็ดื่มแค่ครึ่งแก้วอะไรที่เหลือทำอะไรก็ทิ้งส่วนมากเวลาดน้ํนนาก็ไม่ใช่มีอาขาดแคลนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ ท่านถิงคอรจะเป็นการใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่านีย่ยิ่งสมัยนี้โดยแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันไม่ฟรีน้ำตละลยดเนี่ยมีค่ามีราคาทั้งนั้นแพงกว่าน้ำมันอีกแต่ว่าเวลาดื่นน้ำใส่แก้วนี้ก็มักจะดื่นน้ำจนเกือบจะเต็ม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 ที่ส่วนโมโนี่ท่านก็ประหยัดหลายอย่างนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วจริงสุกโตเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วนี่ก็เรียกว่าขาดแคลนหลายอย่างนะมันไม่ใช่มีสิ่งมากมาย อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจำได้ว่าสมัยเมื่อสาสิบปีที่แล้วเนี่ยแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยก็มีแต่พระพุทธรูปองค์เล็กๆทำด้วยแก้วทำด้วยกระจกเนี่ยทำด้วยแก้วราคาก็ถูกๆนะก็วางอยู่บนโต๊ะเล็กๆที่ใช้เวลาทำวัด ก็มีประมาณสี่ห้าองค์แต่เดี๋ยวนี้นี่เรามีพระพุทธรูปนี่องค์ใหญ่ๆนะมากมายทั้งที่ศาลาหน้าทั้งที่หอไตรทั้งที่ศาลาน้ำเมื่อสัก3าสิบปีที่แล้วเนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่มีเนี่ยก็คือหลวงพ่อขาวนะซึ่งตอนนี้ก็ เอามาไว้ที่สารหน้าใต้ถุนจักอ น, นี่อยู่ข้างบนสารหน้าก็ทำด้วยปูนะนะแต่ว่าเขาหล่อได้สวยก็มีเท่านั้นแหละนะไม่มีมากไปก่อ น, นั้นแต่เดนนี่เราดูเสียมีพระธูโลนะหลายอ ง, งค์ทีเดียวออันนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมนะ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 จากหมู่บ้านป่าไม้นะเรื อ, อแคมสมัยก่อนนี่มันเป็น อ, อปอก็มีหมู่บ้านป่าไม้เช้าเก็ปั่นไฟกับตอนเย็นคนระึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้ใช้ไฟแค่นั้นแหละแตเดี๋ยวนี้ไฟก็มีนะอย่างาสบายตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ ในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งโต๊ะหมู่บูชาก็ไม่รู้จักนะโต๊ะหมูบูชาเนี่ยมันเป็นของหายากโต๊ะที่จะตั้งพระพุทธรูปก็ต้องต่อเองเล็กๆแบบชาวบ้านต่อหลังก็เริ่มมีคนถวายโต๊ะหมูบูชาเดี๋ยวนี้วัดในชนบทก็มีโต๊ะหมูบูชากันทั่วไปหมด จริงๆนี่มันเป็นธรรมเนียมเจ้านะต้มูบูชานี่มันเป็นธรรมเนียมที่ออกมาจากในวังสมัยก่อนนี่เดีย๋ยว่าแต่วัดป่าเลยนะวัดบ้านในเมืองก็ไม่มีต้หมูบูชาเป็นของหายากราคาแพงเดี๋ยวนี้สิ่งที่เคยเป็นของราคาแพงในอดีต ก, ก็กลายเป็นสิ่งที่เห็นกันได้อย่างสามัญทั่วไป สมัยผมบวใหม่ๆเนี่ยบาสเตนเลทนี่ก็ไม่ค่อยไดม้มีโอกาสใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่ใช้บาตเหล็กเนี่ยมาจนกระทั่งพรรษาที่แปดนะถึงค่อยมีโอกาสใช้บาสเตนเลตแล้วก็ไม่ใช่บาสเตนเลตใหม่เอี่ยมนะรับทอดมาจากพระที่ศึกนะพระศึก ผมก็ได้ใช้บาสตน เ, เ, เลตตอนนั้นพรรษาเก้าแล้วถึงได้มีวาสนาใช้บาสตน เ, เ ล, ลตจะเจอหนี้นี่บวชแค่ห้าวันเจ็ดวันก็ใช้บาสตน เ, เลตกันแล้วเพราะมันาหาง่ายหรือว่าคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ไอความขาดแคลนของยุคสมัยเมื่อสามสิบปีก่อนยุคสมัยนี้นึกไม่ออกแล้วนะพอแม้กระทั่งวัดป่าที่อยู่ ใ, ใกลๆอย่างภูหลงเนี่ยวัดป่ามหาวันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักควาว่าขาดแคลนแล้วไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันจีวอนี่นีเยอะ จนกระั่งไม่รู้ว่าอ่กระทัาไม่มีที่เก็บแล้วนี่ขนาดอยู่ไกลนะอันนี้มันเป็นเรื่องของยุคสมัยนะซึ่งเราก็ควรจะรับรู้เอาไว้เพราะว่าอาจจะไปคิดว่าเนี่ยไอ้ความอความสมบูรณ์พรัง่งพร้อมนี่มันมีมานานแล้วหรือมันมีมาตั้งแต่เกิดจริงๆไม่ใช่มันเป็นของที่เพิ่งมีเมื่อ ไม่กี่สิบปีมันนี้แหละแต่แม้จะมีความพรั่งพร้อมวลีบูร์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะบางคนไปเข้าใจว่าถ้ามีน้อยก็ต้องประหยัดนะแต่ถ้ามีมากก็ต้องใช้ฟุ่มเฟือยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิน้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด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 ถ้ามีเกินก็เลยอัตเลกจีวอนเก็บไว้ได้แค่สิบวันเป็นอย่างยิ่งนะาตามพระวินัยนี้ถ้ามีเกินหนึ่งเนี่ยก็ต้องวิกับนะวิกับนี่แปลว่ามีเจ้าของร่วมอย่างที่เราสวดในปฏิมโมกเนี่ยนะพิกูุวิกับจีวอนแก่พิกสูตุสา ม, มเณรผู้รับยังไม่ถอนนุ่งมจีวอนั้น นะก็เรียกว่าปฏิจตินะวิ ก, กัปก็คือว่ามีเป็นเจ้าของร่วมนะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถอนก่อนนะเราจะใช้ได้อันนี้ก็เป็นวินัยที่มุ่งให้พานี้เราอยู่กันอย่างเรียบง่ายแต่ดี๋ยวนี้นอกจากจะมีวอจีวอหลายผืนแล้วยังใช้อย่างฟุ่มเฟือยพอจีวอรเริ่มจะสีซีก็ไม่เอาละ จะเป็นจีวรหรือผ้าอาบน้ำฝนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ประหยัดนะหลวงพ่อมเขียนเนี่ยนะท่านมีผ้าอามน้ำอยู่ผืนหนึ่งช่านใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆจนกระทั่งถึงตอนที่ผมมาอยู่กับท่านตอนนั้นท่านก็บวชไม่ได้ 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดพรรษาแล้วท่านก็ยังใช้อยู่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 นะเพื่ออะไรเพื่อรักษาเนื้อผ้าเพราะถ้าเราบีดแล้วเนี่ยนะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานฉันให้บีบนะหรือว่าถ้าไม่ไม่ต้องบีบแล้วก็ได้นตากเลยถ้าไม่ไม่ต้องตากแดดก็พึ่งลมก็ได้ผ้าจะได้อยู่นานๆนนนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเรียนรู้นะจากการสังเกต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 ไว้ไม่เป็นที่หนูมันก็คาบไปพอคาบไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเดี๋ยวไปเบิกใหม่มีเยอะไอ้คิดแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนประมาทอาจารย์พุทธาบอกว่าธรรมะเนี่เป็นเรื่องละเอียดนะคนจะเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดรออแล้วความละเอียดรอสูนนี้ก็เกิดจากการที่ใช้อ่า เข้าของบริขารเนี่ยอย่างใส่ใจอันนี้รวมถึงการขบชันด้วยนะชันนี่เราก็ฉันอย่างลูกค้านะตักมาเท่าที่พอกินนะไม่ใช่ตักมาเอาความอยากเป็นประมาณพอชันไปแล้วอิ่มเหลือก็ทิ้งคนสมัยก่อนนี่เขาก็กินข้าวจนเม็ดสุดท้ายเลย ส่วนนีงพอข้าวมันหายากแล้วก็มันต้องใช้แรงงานนะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี้มันยากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ลูกค่าวเพราะเราไม่ไม่ไม่ได้ทำทานาด้ตัวเองข้าวมันก็หาได้ง่ายราคาถูกแต่ก็ควรที่เราจะอะ่บริโภคหรือชั้นในอย่างอย่างใส่ใจเพราะถ้าหากว่าเราไม่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 แร่อยางที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้เป็นคนที่ติดสบายติดสบายเดยเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องการโขบการชันนี่มันมีเยอะถึงแม้เราเป็นพระในยุคนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีความพังพ้องบริบูรณ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 จะไปที่กันดาลเพื่อหาความสงบในการเจริญภาวนาก็ไปไม่ได้คนเดียนี่จะไปไหนเนี่ยก็จะต้องถามว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ไหมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมถ้าไม่มีก็ไม่ไปอันนี้แสดงว่าติดความสบายแล้วหรือว่าติดสัญญาณนะอินเทอร์เน็ต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 สิ่งกีดขวางการที่เราจะได้พบสิ่งดีงามความเจริญก้าวหน้าในจิตใจและความสบายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจนติดก็เพราะการที่เรามีสิ่งแสบสิ่งบริโภคมากมายแล้วก็ใช้สอยอย่างไม่ระมัดระวังนะใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยมันก็กลายเป็นติดนะนอกจากจะเกิดความมาักงง่ายแล้วก็ยังเกิดความรู้สึกที่ติดความสบาย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 ถึงแม้ว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์ความพั่งพร้อมความสะดวกสบายก็ก็อย่าไปใช้โอกาสเหล่านั้นนะอย่างไม่ระมัดระวังนะสิ่งที่เราสวมเมื่อสักครู่เนี่ยนะการนอนการนั่งในที่อัสังัดความรูปประมาณในการบริโภคเนี่ยหรือการอยู่อย่างเรียบงาย่าย่เป็นสิ่งที่เราพึงสังวรอยู่เสมอของที่มีมากแค่ไหนแล้วก็ยังใช้อย่างรู้ค่านะ ถึงเวลาเจอของของมันขาดแคแลนเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วยิ่งเป็นพระด้วยแล้วเนี่ยนะมันยิ่งจําเป็นต้องอยู่แบบเรียบง่ายนะทําที่บา้านไปใช้ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาเหมืนพิจารณาสังวร อ, อยู่เสมอนะต้องทําตัวให้คนเพเป็นคนเรียงง่ายนะเพราะชีวิตเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ได้เพราะผู้อื่นนะก็ต้องอยู่อย่างเรียบง่าย เราจะเอาจะพกทิสัยอย่างคารวะนะมาอยู่วัดโดยเพราะเมื่อบวชแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้นะถ้าจะอยู่วัดอย่างมีค ว, ความหมายเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักที่จะหัดดัดแปลงที่จริงความเป็นอยู่ที่วัดป่าสุกโตนี่ก็สบายกว่าที่อื่นเยอะแล้ว ใครลองไปหมูไปอยู่วัดอื่ น, นบนหลังเขาเนี่ยหรือไปผู้หลงก็ได้วัดป่ามหาวันกน็จะรู้เลยว่าไอความสะดวกสบายต่างกันเยอะหลายคนอยู่สุกโตแล้วพอไปผู้หลงก็บ่นว่ามันลำบากอาหารก็ไม่อร่อยเนี่ยไม่ถูกปากไม่ประ น, นเนี่ยัยงนจะรู้เลยว่าเนี่ยที่สุกโตเนี่ยนะ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 อิสรภาพเป็นสิ่งที่มีความหมายนะเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการนะแต่ว่ามักจะถลำเข้าไปเป็นท่าของความสะดกสบายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าเนี่ยการมีสิ่งของมากมายจะทำให้มีอิสระนะการไปเวลาเข้าห้างแล้วมีของขายมากมายมียี่ห้อหลายยี่ห้อขายให้เลือกได้คนคิดว่านี่คือเสรีภาพ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 จะดูหนังดูฟังเพลงนะช่องไหนประเภทไหนก็ได้เขาคิดว่าเนี่ยคือเสรีภาพนะอิสระภาพแต่พอไปที่ที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญานี่ก็ลงแดงเลยนพะราะอะไรเพราติดมันซะละกลายเป็นทาตที่ไหนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ไปนะจะไปเที่ยวทะเลจะไปเที่ยวนะน้าตกนะ มีสิ่งสวยงามมากมายแต่พอรู้ว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ไปอันนี้แสดงว่าเป็นธาตุบรรลัสระนะแล้วเสรีภาพที่คิดว่ามันให้เราเพราะว่ากลับกลายเป็นอ่าถูกจํากัดเสรีภาพนะเพราะว่าการติดในความสดกสบา ย, ยาการเป็นพระเนี่ยเรามาเรามาเนี่ยเพื่อฝึกให้จิตใจมีอิสระ กิสระอันนคือการไม่พึ่งพาหรือว่าเป็นท่าของวัตถนะุอาศัยมันก็จริงแต่ว่าไม่เป็นท่าของมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะหรือว่าก็มีเพียงแค่พออยู่ได้ประทังช่วย อ, อยู่ได้ก็พอแล้วนะให้เรารู้จักกับเสรีภาพแบบนี้บ้างนะเสรีภาพที่ไม่ที่ไม่ถูกกาหนดครอบงาโดยความสะดวกสบาย หรือว่าวัตถุสิ่งเสษนะจะไปในที่ที่มันลำบากก็มีความสุขได้นะไม่มีน้ำอัดลมไม่มีอาหารอร่อยกินก็มีความสุขได้นะให้เรารู้จักกับอิสรภาพและความสุขชนิดนี้บ้างนะาการบวชเนี่ยมันเป็นโอกาสทำให้เราได้สัมผัสได้เจอนะกับอิสรภาพและความสุขอย่างนี้แหละนะไม่ต้องอิงวัตถุ ไม่ต้องอิงความสะดวกสบายแต่มันเกิดจากความสงบภายในคำนี้ก็เพื่เท่านี้นะอากาศพระ